กมกำหนดรู้กฎแห่งกรรมระลึกชาติได้ด้วยกรรมฐานขอเจริญพรพี่น้องที่รักตลอดกระทั่งอุบาสกอุบาสิกาบรรพชิตและคาลือหัดวันนี้เป็นวันพระขึ้นสิบห้าคำที่ได้วาระเวลาไปตามลำดับที่อาตมาได้กล่าวยา้มเติมเสริมแต่งมานานแล้วว่าขอให้ญาติโยมได้ปฏิบัติโดยต่อเนื่อง การเจริญกุศลให้ครบวงจรของชีวิตการเจริญสติปัฏฐานสี่นี้เป็นการเจริญกุศลให้ครบวงจรของชีวิตด้วยกายานุปัสนาสติปัฏฐานนี่เป็นวงจรต้นผ่านวงจรที่สองคือเวทนาต้องเป็นด้วยกันทุกคนด้านกายด้านเวทนามันก็เกิดโดยธรรมชาติเท่านั้นมันก็ต้องมีเวทนาโดยไม่สามารถจะบังคับบัญชาได้ ก็เรียกว่าเวทนามีอยู่แล้วทุกคนแต่ปัญหามันมีอยู่ว่าเราต้องมีสติกําหนดรู้ได้ว่าเวทนาที่เกิดขึ้นด้วยความดีใจเสียใจโกรธเมื่อยโสมนัสหรือโทมนัสทั้งความเสียใจและดีใจปวดรวดร้าวในด้านกายและใจไม่สามารถจะอดทนได้ด้วยภาคตรตรํม และลำบากตลอดกระทั่งทนความเจ็บใจในจิตใจของเราได้เหล่านี้เรียกว่าเวทนาทั้งนั้นปวดเมื่อยทั่วสกลกายก็เรียกว่าเวทนาไม่มีใครที่จะไม่ปวดไม่เมื่อยเป็นด้วยกันทุกคนแต่ใครหนอจะรู้จักคำว่าอดทนและกำหนดได้ ตั้งสติไว้ให้มีความอดทนในชีวิตเขาเหล่านั้นได้นี่ธรรมชาติที่ครบวงจรข้อที่สองความสมนัตความดีใจและเสียใจเป็นของคู่กันมันมีมืดแล้วมันก็มีสว่างก็เป็นของคู่กันเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์มันก็เป็นของคู่กันเดี๋ยวก็ไม่สบายใจ ไม่สบายกายเดี๋ยวสบายใจสบายกายมันก็เป็นของคู่กันเดี๋ยวเกิดทุกข์เกิดยากเกิดลำบากตลอดรายการมันก็เกิดผลโดยธรรมชาติของเขาเหล่านั้นด้วยกันทุกคนไม่มีใครพลาดไปได้จากที่กล่าวนี้จิตานุปัสสนาวงจรครบข้อที่สาก็จิตเป็นธรรมชาติเช่นนี้ มันไม่มีตัวตนที่จะคลำได้แล้วก็บอกเหตุการณ์อะไรได้แต่ประการใดมันเป็นอารมณ์ของเรานั่นเองเดี๋วดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวกลุ้มเดี๋ยวก็ไม่กลุ้มเดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวก็ดีใจเสียใจจิตเป็นธรรมชาติต้องคิดอยู่ตลอดรายการจนกว่าจะหลับไปด้วยกันในเมื่อเรายังไม่หลับ ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ห น, น้าบัดนี้มันก็จะต้องมีทุกมีสุขควบกันไปตลอดลายการก็ต้องตั้งสติไว้เท่านั้นนี่เป็นวงจรวงจรข้อที่4สรุปปัญหาชีวิตก็คือธรรมานุปัสสนากุศลหรืออกุศลที่เราทำนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลละการรม ที่เราต้องยอมใจให้เชื่อมชมเมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมานั้นก็เรียกว่าเป็นกุศลหรืออกุศลถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมีธรรมะประจาจิตประจำใจแล้วเราก็รู้ด้วยว่าที่เราทำนั้นเป็นกุศลหรือทำแล้วเป็นอกุศลละรามจะต้องใช้เวรใช้กรรมและรู้จักการกระทำในปัจจุบันของเราขึ้นได้ ก็อยู่ที่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นบทวิจัยประเมินผลในชีวิตเป็นข้อที่สของการเจริญสติปัฏฐานสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบเพราะฉะนั้นสัมมาสติสัมมาสมาธิคือมรรคเป็นข้อที่เจที่8ของมรรคมีองค์8นั้นพระพุทธเจ้าพบของจริงแล้วก็เอามาสอนเรา พระพุทธเจ้าไปหามายากลำบากเอามาตั้งเป็นหลักสูตรแล้วก็เอามาให้เรามีอยู่แล้วยังทำกันไม่ได้อีกยังไม่สนใจจะทำยังไม่สนใจปฏิบัติพระพุทธเจ้าหามาได้ยากกว่าจะทนทุกข์ทรมานในทุกขระกิริยาถึงหกปีแล้วก็ไปลำบากในอรัน ร, ราวป่าถึงหกปีกว่าจะสำเร็จสำโพธิยาน สำเร็จมากผลกว่าจะสืบสาวหาเหตุผลในอริยสัจสี่ก็ใช้เวลานานถึงหกปีสำเร็จในวันวิสาขาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีหลักมีตำราให้เราแล้วเราก็ยังไม่ปฏิบัติตามถ้าเรายังคลัมอยู่ก็ไม่รู้เลยว่าจะสำเร็จกันตรงไหนว่าธารรมะอยู่ตรงไหนแล้วก็จะแย่กว่านี้มาก จนกระทั่งมีตำรับตำราที่พระพุทธเจ้าให้และสอนเรามาแล้วทั้งสั่งทั้งสอนเราก็ยังไม่ทำกันอีกหรือประการใดแม้แต่ไตรสิกขาสามศีล ส, สมาธิปัญญาเราก็ยังไม่ปฏิบัติอีก ขาดสติสัมปชัญญะจิตก็ไม่มีธรรมะศีนที่เราคิดว่าเรารับไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เราก็เป็นคนมีศีลแล้วไม่จริงใครก็รับโดยเอาปากรับได้ก็ว่ากันไปตามบทเพลงแต่ภาคปฏิบัติไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วจิตจะมีธรรมะหรือเมื่อจิตไม่มีธรรมะแล้วการปฏิบัติก็เลิศเทอ ขาสติสัมปชัญญะจึงต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตขาสติสัมปชัญญะจึงได้เห็นแก่ตัวเบียดเบียนทรัพย์เขาได้จะเอาเสียไม่เอาด้วยคนประเภทไร้ศีลธรรมนี่แหละเพราะขาดสติตัวเดียวเท่านั้นเองคือศีล คาสติแม้มีสตางก็ช่วยอะไรไม่ได้คาสติสัพชัญญะที่เราพูดมานานไม่มีสติแต่เป็นคนมีสตางก็ใช้ไม่ได้บางคนมีสตางแต่ไม่มีสติมันก็เลอะเทอะเปรอะเปื้อนตลอดรายการทุกโทมนัตอยู่ตลอดสตางก็ช่วยไม่ได้เงินทองก็ช่วยไม่ได้ เราท่านทั้งหลายเอาสติสัมปชัญญะเป็นตัวกาหนดจิตเป็นตัวช่วยชีวิตของเราให้เดินทางได้ไม่พลาดผิดเดินทางด้วยความถูกต้องตรงนี้ถึงจะเป็นเรื่องที่มีเหตุผลท่านทั้งหลายจะอวดรู้อวดดีว่าเรามีสตางแต่ท่านมีสติหรือเปล่านี่แหละถึงเบียดเบียนตัวเองเสียไม่เอากับใคร เอารัดเอาเปรียบตลอดรายการนี่แหละขาดสติมันจึงได้มีจิตอกุศลกรรมร่วมประเวณีกันหน้าบัดสีในสังคมของคนไทยเรียกว่ากาเมสุมิชจาจา์เป็นต้นมันก็เกิดขึ้นในลักษณะอาการของเขาอย่างนั้นบางคนเยี่ยงสัตว์ป่าบางคนเยี่ยงเดรัจฉาน บางคนขาดมนุษย์ในจิตใสใจสะอาดมันก็เป็นได้อย่างนั้นหลอกลวงโลกหวังเอาลาบหลอกได้ชัดเจนล่อลอกล้างสมองได้ชัดเจนมากโกหกได้แนบเนียนมากคนที่ขาดสติเนี่ยโกหกได้อย่างแนบเนียนคนมันไร้คุณธรรมขาดคุณภาพในเมื่อไม่มีคุณภาพเช่นนี้ แล้วไหนเลยเล่าคุณธรรมจะมีราคาค่างวดกวดขันในชีวิตของตนเองมันก็ไม่มีราคาไม่มีหน้ามีตาไม่มีทรัพย์ชื่อเสียงความรักก็หลอกลวงกันได้ง่ายเดิมสุรายาเมาเดินสามขาสี่ขาไปตามสภาพไม่มียางอายไร้สติขาดเฮริอโอต ป, ปะนั่นคือขาดธรรมะนั่นเอง มีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังนั่นแหละกรรมฐานเพราะฉะนั้นจึงควรสำรวมสังวรระวังมีสติอยู่ที่จิตสัมปชัญญะอยู่ในข้อคิดทำให้มีความคิดดีมีแหล่งวิชาและปัญญามีแหล่งหลังไหลเข้ามาสู่จิตคือสติปัญญานั่นเอง ได้ผลอย่างสมคาดปรารถนาด้วยการปฏิบัติของท่านทั้งหลายท่านจะมีแต่สิ่งที่ขวนขวายที่จะหาแต่ความเฉลียวฉลาดให้แก่ตัวเองสามารถจะแก้ปัญหาได้ทุกทิศทุกทางสติสัมปชัญญะก็จะทําให้กลายเป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นผู้เฉลียวฉลาดในการปฏิบัติงานทําให้เขาเหล่านั้นมีกิจการงานเจริญรุ่งเรือง สามารถทำได้ง่ายกว่าที่จะทำได้นั่นคือกรรมฐานนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยถ้าท่านมีสติสัมปชัญญะตัวกำหนดจิตรับรองจะเป็นมนุษยชาติอย่างที่พูดไว้มานาแล้วท่านจะสมบูรณ์แบบมีสติสมบูรณ์ทำให้ปัญญาสมบูรณ์ท่านจะระลึกชาติในชีวิตได้ ท่านจะระลึกถึงกฎแห่งกรรมที่ทำอะไรไว้ได้สเสวยกรรมมีเด็กที่มาอบรมแล้วลาไปวันนี้โรงเรียนพนัทพิทยาคารรู้กฎแห่งกรรมสิบรายที่เขียนเป็นรายงานให้เราทราบเคยไปฟันอื้งอ่างไปทุบจิ้งรีด เคยไปคว้างขาหมาเขาก็ได้เป็นอย่างนั้นมากรรมเห็นทันตานี่เด็กนักเรียนนะนั่งสามคืนสี่วันรู้กฎแห่งกรรมได้มีสิบคนในจำนวนนักเรียน200คนได้สิบคนรู้กรรมว่าได้ทําไว้แล้วก็ปฏิ ญ, ญาณตนว่าต่อไปจะไม่ทําเวรทํากรรมอีกอย่างนี้รู้จริงรู้ระลึกกรรมของตนได้ เมื่อเป็นเด็กอยู่ชั้นปถมเคยทำบาปกรรมพอมาเจริญสติปัฏฐานสี่มีสมาธิก็ได้ล็อกนี้ออกมาว่าเราทำกรรมไว้แล้วเราได้รับกรรมแล้วเป็นการเสวยกรรมออกมาอย่างนี้ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเอ๋ยถ้าท่านตั้งใจทำไปถึงขั้นตอนเข้าถึงในจุดหมายอันนั้น ท่านจะรู้กฎแห่งกรรมชัดเจนชัดทุกวันเวลาเราเดินจมกลมและนั่งมันได้อย่างนี้และเมื่อเราเดินไปแล้วก็นั่งมันก็เปลี่ยนไปมันจะไม่เหมือนเดิมและเมื่อวันต่อไปนั้นเราไปเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งอีกหนึ่งชั่วโมงมันก็ไม่เหมือนเดิมมันจะมีอะไรผุดขึ้นมาแปลกๆเรื่อยๆ แล้วเราก็เลยตีความเอาว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ได้ดีเหมือนเมื่อวานเมื่อวานนี้นั่งดีเลือกเกินสบายอกสบายใจไม่มีเวทนาแต่วันนี้ทำไมมีเวทนามากวันนี้กำหนดไม่ได้เลยเพราะเหตุใดอาจจะคิดอย่างนี้ ความเข้าใจผิดในผลของการปฏิบัติวันก่อนท่านนั่งสบายก็แสดงว่าครูท่านไม่ได้มาสอนท่านไม่ได้อะไรเลยนะท่านไม่ได้อะไรเลยแต่วันนี้แหม้นั่งยังไม่ทันถึงสิบนาทีความวัวยังไม่ทันจะหายความควายก็เข้ามาแทรกจิตใจวกแวกไปนอกประเด็นคิดแล้วก็เสียใจคิดแล้วก็ดีใจ คิดแล้วก็กลุ่มใจมีแต่เวทนาปวดเมื่อยไปทั่วตัวสกลกายก็เลยไปตีความหมายต่ำาๆสั้นๆว่าวันนี้ทำไม่ได้ผลนั่นแหละท่านทำได้ผลแล้วโปรดกรุณากำหนดติดตามให้ได้ผลออกมาว่าเวทนามีมากจิตใจก็ฟุ้งซ่านนานาประการพอจิตสงบเมื่อใดสมาธิเกิดขึ้นเมื่อใด ท่านจะรู้แน่นอนว่าท่านทำกรรมอะไรไว้และภาวะเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นอย่างไรสภาวะทำเกิดขึ้นในยามไหนจะรู้แจ้งเข้าใจเรียกว่าตัวปัญญามานั่งเมื่อวานก่อนแม้มันสบายครับหลวงพ่อสบายไม่ปวดเมื่อยเลยวันนี้นั่งทำไมปวดเมื่อยจังเลยมันทนไม่ไหวเลยก้นร้อนเหลือเกินทนไม่ไหวปวดมาก วันนี้คงไม่ได้ผลอะไรเลยนั่นแหละได้ผลแล้วเหมือนอย่างนั่งไม่ปวดนั่งก็ไม่มีฟุ้งซ่านนั่งเฉยๆสบายๆพองหนอยุบนอสบายจนน้ำลายไหลออกมาแถมขี้มมกไหลอีกแม้มันสบายวันนี้สบายใจไม่ได้กำหนดจิตไม่ได้จ้องแล้วนั่งสบาย ซึ่งข้อเท็จจริงนั้นไม่ได้อะไรเลยที่สบายนั้นไม่ใช่อะไรหรอกเครมเครมทําทำไมรู้ไหมโอ้โหวันนี้ยานขึ้นสบายดิ่งพระสุทานั่นแหละท่านหลับไปแล้วหลับไปแล้วนะ่าแสดงว่าไม่ได้อะไรเลย าการควบคุมแล้วอะไรก็ไม่ได้ผลโยมกิติยาเ้านั่งเขาบอกหลวงพ่อวันนี้สบายนั่งทั้งวันยานอะไรขึ้นสบายจริงๆนั่งแล้วเคลิมนึกถึงอดีตมันมีความสุขมากแล้วน้ําลายก็ไหลแแมะแม่ไม่ได้อะไรเลยเหมือนอย่างเราไปเรียนหนังสืออันนี้ได้แก่ตัวอาตมาเอง ถ้าวันไหนครูไม่มาสอนชโยชโยดีใจวันไหนครูเข้ามาในห้องครูภาษาอังกฤษเข้ามาปวดหัวจังเลยเดี๋ยวโดนครูไล่เบี้ยเราแล้วมานี่สิไม่ทำการบ้านก็มานี่เรานึกเรียกเราจะไปสอนเราก็ดีใจรีบวิ่งไปหาครูทันทีเธอทำไม ไม่ทำการบ้านมาแปลงลบกระดานก้มหัวมาสามปกเรานึกว่าเรียกมาจะมาสอนเอาแปลงลบกระดานโขกหัวเราเสร็จแล้วเราก็ขอบพระคุณครับครูยาเบื่อหน่ายในการปฏิบัติ ญาติโยมทั้งหลายเอ๋ยอย่าเบื่อในการปฏิบัติถ้าเรียนมามหนึ่งก็ปวดหัวอยู่แล้วครูมาสอนก็ปวดหัวก็ขอเจริญพรว่าถ้าท่านขึ้นมอสองเมื่อไรมอหนึ่งก็เรื่องเล็กไปปวดหัวที่มอสองต่อไปปวดหัวขึ้นมอสามเมื่อไรมอสองก็กลายเป็นเรื่องเล็กพอผ่านถึงมอหกแล้วมอห้าก็เรื่องเล็กอีก พอจบม .6 แล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยชั้นมัธยมศึกษาก็เรื่องเล็กอีกจริงไหมโยมกิติยาทักท้วงว่าหลวงพ่อรู้ได้ยังไงว่านั่งน้ำลายไหลแม้ก็อาตมารู้ได้ด้วยหนอยยังไงล่ะญาติโยมที่มาปฏิบัติเนี่ยรักษาระเบียบดีมากเลยกินน้อยนอนน้อยพูดน้อย ทำความเพียนมากไม่มีการคุยกันเลยแต่เสียงดังอยู่บนหลังคาลอดเข้ามาที่กุฏิแล้วคนไหนนั่งน้ำลายไหลจะไปรู้หรือขอให้กำหนดไว้นะจำไว้การมานั่งเนี่ยบางคนบอกไม่รู้มีกรรมอะไรน้ำลายมันไหลไม่ใช่มีกรรมอะไรหรอกนะมันไหลของมันเอง บางคนนั่งพอปวดคานิดหน่อยก็มาแล้วบางทีเราก็เข้าไปโบส์เขาก็มาหาก็ถามว่ามาทำไมนักปฏิบัติเขาไม่ให้มาหาที่นี่แล้วนี่ก็ดึกแล้วด้วยไม่ได้ฉันต้องมาให้ได้ฉันนึกแล้วว่าฉันจะต้องมีเวรกรรมอ้าวมีเวรกรรมอะไรว่ามาเดี๋ยวอาตมาจะเข้าโบส์แล้วหลวงพ่อเจ้าขา นั่งมาสามวันปวดตูดมากขอโทษที่ใช้คำไม่สุภาพแต่เขาพูดอย่างนั้นก็ถามเขาว่าเป็นอะไรหรือเขาก็บอกไม่ทราบอกชันมีเวรกรรมอะไรฉันไม่เคยเบียดเบียนอะไรใครถามไปถามมาถูแค่นี้ก็มาถามได้ความว่าลิศ ด, ดวงแตกเท่านั้นเองอย่างนี้จำไว้ ขอเจริญพรมันไม่ใช่เวรกรรมมันเป็นเรื่องของโรคธรรมดาธรรมดาจะปวดหัวก็เป็นโรคธรรมดานอกจากถ้ามันเกินไปมันถึงจะเป็นกรรมพ้นกรรมปรากฏยกตัวอย่างเช่นมีโยมอยู่คนหนึ่งชื่ออะไรจะไม่ได้แล้ว เขาตายไปแล้วปวดศรีรษะเจ็ดวันเจ็ดคืนเลยปวดมากกินยาก็ไม่หายเมื่อไม่หายก็กำหนดปวดหนอปวดหนอจะตายให้ตายไปทุกข์หายนิมิตมาเลยตอนนี้เป็นเด็กวัดก้าวช่างอยู่ทางใต้ของวัดนี้ตาแปะแกมาจ้างไปยิงไอขี้ยาที่ข้างวัดเตยแกสูบฟินอยู่ เมื่อก่อนนี้ยังมีโรงยาฝิ่นอยู่ก็เอาปืนไปให้ปืนแก๊ปเอาไปยิงหัวให้เขาตายค่าจ้างยิงก็ไม่เท่าไร80บาทหรือว่าหนึ่งช่างเรื่องมานานจนลืมไปแล้วนะกระทั่งแกอายุ78ปีแกก็มาอยู่ที่วัดพรมเนี่ยก็เลยระลึกได้แล้วแผ่เมตตาหายเลยอย่างนี้เป็นกรรม ไม่ใช่ปวดศีรษะธรรมดาถ้าปวดธรรมดามันก็เหมือนกับคนอื่นๆทุกคนซึ่งต้องปวดหัวปวดอะไรต่ออะไรหรือจะเป็นไข้บ้างอะไรอย่างนี้แต่รายการนี้มันปวดตลอดไปเลยปวดอยู่ตลอดเวลามันไม่หายก็กำหนดไปตายให้ตายก็พรึบขึ้นไปหายได้ เมื่อสมัยก่อนแกเป็นเด็กวัดอยู่จนกระทั่งบวชเลยนะเรียนหนังสือก็อที่วัดเรียนกอขอกอกาหลวงตาสอนที่วัดก้าวช่างเนี่ยสอนจนกระทั่งโตเป็นน่มใกล้จะบวชก็ไปยิงเขาที่โรงยาฝิ่นตายรับจ้างเข้ามาเพราะว่าไอคนที่ติดยาฝิ่นที่ถูกยิงตายมันมาลักข้าวลักของเข้าๆก็เลยจ้างเด็กวัดไปยิง ค่าจ้าง80สบาทยิงจนเขาตายแล้วเผาไปจนกระทั่งเป็นหนมมีลูกมีเมียก็ยังไม่รู้ว่าไปยิงใครโยมคนนี้นั่งกรรมฐานได้ผลเลยรู้ว่าเป็นเวรกรรมที่ไปยิงเข้ามาพ่อแผ่เมตตาอย่างที่เราแผ่ไปแล้วก็นั่งกรรมฐานให้เขายอมรับแล้วอาการปวดศีรษะก็หายไปไม่ปวดอีกต่อไปจนเขา อายุมากเข้าแปดสิบกว่าแล้วถึงได้ตายกรกรมกำหนดมีอีกคนหนึ่งชื่อหมอชลอแกก็ปวดหัวอย่างนี้แหละพอกำหนดไปหายไปปั๊บระลึกชาติได้ชาติก่อนเป็นมอนอยู่ที่ราชบุรีไปฆ่าเขาตายที่น้ำตกเขาเอราวัน จังหวัดกาญจนบุรีเป็นลูกชาวมอญและก็ตกน้ำตายเราก็รู้แล้วพอนั่งเสร็จก็แผ่เมตตาปับ๊บก็นั่งได้แปดสิบกว่าชั่วโมงแต่ในที่สุดก็ต้องไปตายที่น้ำตกเอาราวันจังหวัดกาญจนบุรีโดนฆ่าตายตรงนั้นตรงที่ไปฆ่าเขาไว้เห็นไหยนี่คือเวรกรรมแน่ อ่านกฎแห่งกรรมของทอเลียงพี่บูรณ์เคยเอาไปลงเรื่องของหมอชะลอทำกรรมฐานอยู่คู่กับแม่ใหญ่มาเนี่ยเขาทำเก่งแต่เมื่อชาติก่อนไปฆ่าเขามาตัวเองก็ต้องโดนฆ่าตายตรงนั้นที่ตำบลท่าพุทสาอำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อก่อนยังไม่มีน้ำตกเอาราวัณแต่เดี๋ยวนี้มีน้ำตกตรงนั้นเลย ที่โดนฆ่าตายญาติโยมทั้งหลายโปรดทราบอย่างนี้กฎแห่งกรรมเลยนะเด็กมานั่งกรรมฐานร้อยกว่าคนรู้กฎแห่งกรรมสิบคนว่าตัวเองไปทำอะไรมาไอเกียรตะปาดอะไรเนี่ยมันกำลังตั้งท้องไปผ่าท้องมันเอามีดไปฟันท้องมันกรรมมันตามตัวเองก็ต้องปวดท้องตลอดมา ไอ้เขียดตะปาดเนี่ยมันท้องก็เอามีดไปผ่าท้องมันไส้มันก็ทะลักออกมาตัวเองก็เลยปวดท้องแล้วก็มานั่งกรรมฐานก็เลยหายที่สาลาเนี่ยเขาก็เลยนึกถึงเหตุการณ์ที่ไปทำกับเขียดตะปาดได้เขาก็รายงานมาให้ทราบพวกเด็กๆที่นี่รู้กฎแห่งกรรมได้ชัดหลายคนแล้ว ยาดีของหลวงพ่อถ้าท่านทั้งหลายตั้งใจจะทำแล้วก็จะรู้ขึ้นมาเองอย่างน้ําลายไหลเนี่ยไม่เป็นไรบางคนมานั่งเนี่ยน้ําตาไหลตลอดน้ําตาไหลออกมาตลอดเวลามันก็ไม่ใช่กฎแห่งกรรมหรอกนะมันเป็นปีติบางอย่างมันเกิดเองบางอย่างมันต้องแก้มันไม่ใช่กฎแห่งกรรมหรอก อย่างน้ำลายไหลตลอดใบเนี่ยมันก็ไม่ใช่กดแห่งกรรมมันไหลเองพอไปสำรวมเข้าหน่อยหลับตาเข้าหน่อยปากจู๋เลยไหล ย, ยืดเลยนะอาการนี้เดี๋ยวก็หายไปเองไม่ใช่กดแห่งกรรมเดี๋ยวคนไม่รู้จะมาถามว่าน้ำลายไหลนี่มันเกิดจากกรรมอะไรมันไม่ใช่เวรกรรมหรอกนะคนละเรื่องกัน ส่วนที่มาหาแล้วบอกปวดก้นแหมก็ไม่เคยไปทำอะไรกับใครเลยแล้วก็มาถามตอนที่เรากำลังจะเข้าโบสถ์เขาบอกปวดมาสามวันแล้วนั่งมันปวดเลอเกินฉันก็นึกไม่ออกว่าฉันไปสร้างกรรมที่ตูดใครหรือเปล่าโทฤริสีดวงแตกเท่านั้นไม่ใช่กดแห่งกรรมหรอกนะในที่นี้มีใครเป็นริดสีดวงบ้างไหม เดี๋ยวจะบอกยาให้เรื่องจริงนะหายกันมาเยอะแล้วมีต้นอะไรนะ่ากินแล้วหายมันเป็นข้อข้อปลูกอยู่ตรงใกล้ๆเนี่ยต้นเพชรสังฆาตหรือยังไงก็ไม่แน่ใจที่มันเป็นข้อข้อเอามาสับสับกินแล้วหายถ้าใครเป็นเนี่ยหายส่วนที่มานั่งกรรมฐานแล้วเลือดกําดาวไหลออกมาทางจมูก เส้นโลหิตแตกเลือดไหลออกทางจมูกเขาบอกว่าคิดอะไรมันก็ไหลทั้งปากทั้งจมูกไปโรงพยาบาลสิงบรีไม่ช้าก็เป็นอีกจะบอกให้เลยนะยาผีบอกใบผู้สาสามกำ ม, มือรู้จักใบผู้สาไหมละ่ะเอาใบไม่ต้องเอาลูกใส่กาต้มยาเข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้อย่างละสี่บาท ต้มกินหายเลยเลือดกำดาวที่ออกจมูกก็หายเด็ดขาดจาไว้ยมรู้จักใบพุทสาไหมไม่ใช่ใบพุทษาที่เขาขายกันนะพุทษาตามทุ่งพุทษาที่เราไปเก็บกินนั่นแหละไม่ใช่พุทษาลูกโตๆโตนะพุทราลูกเล็กๆเอาใบมันมาสามกำมือพวกเด็กนักเรียนเลือดกำดาออกทางจมูกทางปาก กินใบผู้สาต้มกับข้าวเย็นเนื้อข้าวเย็นใต้อย่างละสี่บาทกินแทนน้ารับรองหายอาตมานึกได้ก็เลยบอกญาติโยมถ้าใครเป็นมะเร็งที่จมูกกินแล้วหายแต่มันจะหายทุกคนหรือเปล่าไม่รู้นะว่านหางจระเข้ปอกกินเนื้อมันเลยนี่มะเร็งกินเนื้อจมูกลามไปถึงลิ้นถึงคอเลยนะ คอเนี่ยน้ำเหลืองไหลเหม็นมากเลยกินว่านหางจระเข้กินแบบดิบดิบเลยนะฝันฝันไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นกินวะลาสีห้าชิ้นหายเลยจำเอาไว้บางทีบอกยาให้เขาเขาก็ถามว่าที่ไหนมีล่ะหลวงพ่อคะอาตมาปลูกไว้ในกระถางพ่อบอกเขาได้สีห้าวัน พวกก็ยกกระถางไปเลยหายหมดเลยเ้าถามว่าต้นที่ว่านั้นมีอยู่ที่ไหนล่ะเราก็บอกว่าปลูกไว้ในกระถางนี่แหละเท่านั้นเองสามวันพวกยกกระถางไปเลยที่บอกมาเนี่ยจำเอาไว้นะเป็นที่จมูกเป็นที่คอหลอดคอบางทีก็ไม่น่าจะไปพาเป็นเบาหวานเนี่ยอย่าไปผานะกินว่านหางจระเข้แบบดิบๆนะหาย เอาไปเชื่อมน้ำตาลนะจำไว้แต่ว่ามันก็ไม่ได้หายกันทุกคนนะแต่ถ้าเป็นเลือดกำเดาบางคนเอามาต้มให้กินก็หยุดทันทีใบผุษสาสามกำรร ม, มือเข้าเย็นเหนือเข้าเย็นใต้หนักสี่บาทใส่กาต้มน้ำกินต่างน้ำเลือดกำเดาหายแล้วก็หายเด็ดขาด ไม่ใช่อย่างที่คิดวันนี้ก็เหนื่อยทั้งวันเลยตลอดต้นมาจนชมรมโรงพยาบาลชนบุรีมาทั้งพยาบาลแพทย์ที่ปลดเกษียณชมรมนี้อายุไม่มากแค่ห้าสิบิปีเท่านั้นถามว่าคนอายุแปดสิมีไหมไม่มีเลยชมรมจะว่าคนแก่มันก็ไม่ใช่นะเพราะเราดูแล้วมันไม่แก่เราถามว่า เขาว่าชมรมคนแก่หรือเขาก็บอกว่าไม่ใช่เขาเป็นแค่ผู้สูงอายุอย่าไปว่าเขาเป็นคนแก่นะตอนนี้อาตมาบวชใหม่ๆนะ่ะใครๆก็ทักหลวงพี่ไปไหนเรียกหลวงพี่เป็นเรื่องธรรมดาบวช น, น, นานๆไปเรียกหลวงนะ้านานไปอีกก็เรียกหลวงพ่อหลวงลวงุงหลวงตา ไม่มีหลวงพี่อีกแล้วเมื่อสามปีที่ผ่านมามีคนเรียกหลวงพี่แม้ขึ้นตะลิงหายเหนื่อยเรียกเราว่าหลวงพี่และคนที่เรียกหลวงพี่ก็บอกว่าแม้ท่านลืมฉันง่ายฉันไม่เคยลืมท่านเลยนะหลวงพี่ลืมคนง่ายเราก็นึกในใจแม้สวยซะด้วยนุ่งผ้าแดงแป๊ดเลย ปากก็แดงหูก็แดงเราก็คิดว่าเป็นลูกเต้าใครนะมาเรียกแล้วว่าหลวงพี่แล้วก็บอกเจ้าวันชยัยเจ้าคนขับรถนะถามทีสิว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครวันชัยเข้าไปถามคนแถวนั้นว่าป้าครับผู้หญิงคนนั้นใครป้าคนนั้นก็ถามว่าถามทาไมหรือวันชัยบอกว่าเข้ามาทักหลวงพ่อ ว่าหลวงพี่แกก็บอกว่าอ๋อนางที่ใส่ชุดแดงน่ะเหรอเขาเพิ่งสำเร็จมาจากมหาวิทยาลายัยเราก็คิดว่าสำเร็จปริญญาตรีหรือโทมาจากวิทยาลัยที่ไหนได้สำเร็จมหาวิทยาลัยศรีทัญญามีหน้าล่ะถึงมาเรียกอาตมาว่าหลวงพี่ตั้งแต่นั้นไม่เคยเจออีกเลยได้ทราบข่าวว่าแกตายไปแล้ว ไปอยู่ที่โรงพยาบาลศีธัญญาสามปีพอมาเจอหน้าเราเรียกหลวงพี่ซะเลยพยานยืนยันเจ้าวันชยัยมันก็ตายไปซะแล้วอันนี้เป็นเรื่องจริงเจ้าวันชัยเขาก็บอกผมบอกหลวงพ่อแล้วว่าไปพูดกับมันทำไมเองนี่มันไม่รู้จริงเหมือนค่ารอกเขาเรียกข้าว่าหลวงพี่ข้าก็ตื่นเต้นซิ เจวันชัยก็เลยเรียกขึ้นรถเจ้าวันชัยก็บอกว่าผมคิดอยู่แล้วเพราะแกแต่งตัวผิดปกติหลวงพ่อไม่ได้สังเกตหรือว่าเขาแต่งตัวผิดปกติเราก็เห็นเขาแต่งตัวว่าเป็นดาราทีวีเจวันชัยมันไม่บอกเราตั้งแต่แรกเราจะได้ไม่ไปคุยกับเขาไอเราก็เผลอคุยกับเขาตั้งนาน เหตุการณ์ที่ปฏิบัติไม่ได้ผลเราก็มาเข้าเรื่องกรรมฐานกันต่อการที่พวกเราตั้งใจมาเจริญกรรมฐานก็เพราะว่าตั้งใจมาปฏิบัติธรรมมากแต่บางคนนั้นก็มีปัญหาอยู่มากการปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ผลเนื่องจากว่ามีสติน้อยมากที่จะนำควบคุมจิตได้การเจริญพระกรรมฐานนั้น การจะรณรงค์ขบวนการของสติให้อยู่กับจิตให้จงได้และบางท่านก็มาปฏิบัติก็รณรงค์ให้มีสติอยู่กับจิตไม่ได้การปฏิบัติจึงทำไม่ได้ผลการทำไม่ได้ผลนั้นก็มาจากการย่อท้อและท้อถอยการปฏิบัติไม่ได้จริงขาดสติไปบางทีก็ไปเอาหลายรูปแบบ เดี๋ยวเอาอย่างนั้นมาเดี๋ยวเอาอย่างนี้มาเจริญกันหลายอย่างหายใจเข้าออกพุโทโธบ้างอรหังบ้างและก็ขาสติไปก็เลยทำไม่ได้ผลไม่ได้อะไรเกิดขึ้นมีเป็นจำนวนมาก ถ, าถ้าทั้งหลายตั้งใจมาปฏิบัติจริงแต่ไม่สนใจครูบาอาจารย์สอนเอาแต่อารมณ์ของตนหรือบางทีก็ไปหลายวัด ไปหลายวัดหลายวาหลายที่หลายทางก็เลยไม่ได้อะไรกลับไปเป็นที่น่าเสียดายมากการเจริญสติคือการปฏิบัติธรรมะการเจริญสติก็คือการปฏิบัติธรรมะถ้าท่านทั้งหลายไม่สามารถจรณรนรงรวบรวมสติไว้ได้แล้ว ท่านจะหมดโอกาสที่จะมีธรม ร, จจมมธรมะประจาจิตไม่มีธรรมะประจาใจเพียงแต่รู้วิชาการรู้หลักฐานธรรมะแต่กลายเป็นคนรู้มากไปมันก็ไม่มีความรู้จริงคำว่าไม่รู้จริงคือปฏิบัติไม่ได้เลยปฏิบัติไม่ได้ผลตั้งใจมาแล้วก็ผิดหวังเป็นที่น่าเสียดายเวลาแต่การปฏิบัติธรรมะแปลว่าธรรมชาติ ธรรมดาไม่มีอะไรวิเศษวิโสไปกว่าการมีสติอยู่กับจิตสติปัฏฐาน4เป็นขบวนการของสติเราแต่ละ5นาทีนั้นเราพูดกันถึงเรื่องสติปัญญามามากแต่ทำไมหนอจะใช้สติ เอามาอยู่กับจิตให้เกิดปัญญาแม้แต่เวลาหนาทีก็ยังทำไม่ได้ไม่มีสติควบคุมจิตในเมื่อไม่มีสติควบคุมจิตได้แล้วท่านก็จะไม่มีธรรมะทุกชนิดโดยธรรมชาติก็ฝืนใจไม่ได้แน่นหน้าอกบ้างเป็นอย่างโน้นบ้างเป็นอย่างนี้บ้างก็พูดกันไปตามสภาพของท่านทั้งหลาย แต่ท่านขาดกระบวนการของจิตที่ท่านจเจริญสติปัฏฐานสีน่นีต้องการจะเรียนกระบวนการของสติให้อยู่ในจิตให้ได้กายานุปัสนาสติปัฏฐานกายไม่มีสติจะยืนเดินหรือนั่งนอนจะเหลียวซ้ายแลขวาขาดสติสัมปชัญญะท่านจะไม่มีธรรมะประจำจิตไม่มีธรรมะที่จะรู้ตัวว่าจะได้มีข้อคิด เมื่อธรรมะอยู่กับจิตจะทำสิ่งใดก็ดีไปหมดการปฏิบัติสติปัฏฐานสมรรคอริย 4. สัจสี่สีลสมาธิปัญญาสติสัมปชัญญะเป็นการรณรงค์สติให้รวบรวมไว้ในสมาธิให้อยู่กับจิตสัมปชัญญะจะได้รู้ตัวธรรมะที่อยู่ในจิตแล้วท่านจะทำอะไรก็ดีหมด ยืนหนอห้าครั้งก็ยังทำไม่ได้เดี๋ยวก็จิตออกไปวอกแวกไปกวัดแวงไปฟุ้งซ่านนานาประการเราจึงต้องรณรงค์ในเรื่องนั้นเรื่องสติตามจิตให้ทนันเพราะจิตมันไวมากไวยิ่งกว่าเครื่องบินปัญหามันอยู่ที่ว่าเอาสติตามจิตได้ทันไหมการเดินจงกรม เดินให้มันช้าหน่อยได้ไ้ยสติตามจิตไม่ทันเลยขวาย่างเข้าไปก็วายเพราะสติตามจิตไม่ทันมันจะย่างเท้าวายยืนหนอห้าครั้งมันก็จะวัยโดยขาดสติไม่มีสติอยู่ในจิตใจของท่านแล้วไหนเลยเล่าท่านจะได้ผล ความคิดที่ดีเกิดจากการมีสติอยู่กับจิตการมาปฏิบัติธรรมะเพื่อรณรงค์ความรู้เพื่อต้องการรู้ชีวิตรณรงค์ความคิดต้องการมีสติอยู่กับจิตจึงจะมีความคิดที่ดีได้ถ้าท่านขาดสติเมื่อใดความคิดขั้นก็จะเหลวแหลกแตกรานคิดนอกประเด็นนี้ ท่านจะมีความรู้มากมายกายกองก็กลายเป็นรู้มากไปไม่ใช่มีธรรมะคนที่มีธรรมะประจำจิตแล้วนั้นก็คือมีสติควบคุมไว้ได้ถ้าสติท่านควบคุมจิตท่านไม่ได้แล้วท่านจะหมดหวังเพราะไม่ได้ทำด้วยความตั้งใจถ้าตั้งใจทำด้วยศรัทธาและความเชื่อมั่นแล้วต้องได้ผลทุกขกลาย มาลองนั่งดูจิม จ, มจิมจำจไม่ได้อะไรเลยนักก็ไม่รู้โมก็ไม่เห็นธรรมะก็ไม่เข้าใจสติจะตั้งอยู่ไม่ได้นั่นแสดงว่าศีลท่านไม่มีแล้วขาดความปกติไม่เป็นคนปกติภาวะไม่อยู่ในความไปสู่ปกติท่านจะมีศีลได้อย่างไรถ้าขาดศีลขาดสติท่านก็จะเสียสัจจะ ท่านจะเสียเวลาการของท่านไม่ใช่น้อยนี่เราพูดกันมานานแล้วเราใช้สติปัญญากันมากแต่ใช้ไม่ถูกจุดมุ่งหมายอันนั้นขาดสติเมื่อใดจิตท่านก็ไร้ธรรมะจิตท่านจะกวัดแกงจิตจะฟุ้งซ่านจิตจะไหลไปสู่ที่ตามความดีอันใดเล่าจะเกิดขึ้นแก่ท่านเองการจเจริญกรรมฐาน ก็ต้องการตรงนี้เป็นจุดสำคัญเราขาดสติจะเอาพุโทโธเอาอารหังเดี๋ยวก็สุขะโตสุขะโตเดินกันไปเป็นสวนสนามไปจิตมันก็วัยขาดสติขาดปัญญาแก้ไขปัญหาไม่ได้ในเมื่อแก้ไขปัญหาไม่ได้แล้วจิตก็จะฟุ้งซ่านจิตก็จะวุ่นวายจิตก็จะส่งกระแสไปในทางที่ เลวร้ายก็เลยหาว่าเป็นการถูกต้องแต่กลายเป็นการถูกใจท่านจึงทำกรรมฐานไม่ได้คนที่ตั้งใจจริงๆแล้วพยายามเอาความเพียร น, นี้ให้ได้ผลพยายามต่อไปท่านจะได้ผลแต่ท่านมาแค่วันสองวันท่านจะได้อะไรกลับไปหรือทำให้ฟุ้งซ่านกลับไปเปล่าๆ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สวัสดีผลแต่ประการใดสิ่งสำคัญต้องมีความเชื่อมั่นบางท่านก็ถือเจ้าเข้าทรงอยู่ตลอดรายการจิตก็เขวเป็นธรรมะเหตุธรรมะเขวตลอดรายการจิตก็สับสนจิตก็โอดระมาน ก็เลยขาดสติขาดสัมปชัญญะตัวธรรมะจะอยู่กับท่านได้หรือก็เลยกลายเป็นทำแมะเหยาะแยะตรงนั้นเหยาะแยะตรงนี้ทําอะไรก็กลายเป็นคนเลวร้ายละล้วมหลาะแหล ะ, หลหล ะ, หละเล้วไหลก็กลายเป็นมนุษย์บุรุษโคมลอยลอยไปลอยมาไม่มีที่เกาะไม่มีที่เกี่ยวเพราะว่าขาดสติเลี้ยวลด ทำอะไรก็น่าเวทนาที่สุดอย่างนี้ท่านจะได้อะไรไม่ได้หรอกจะบอกให้จะมาบวชเป็นพระภิกษุแต่ท่านก็ไม่ได้มาบวช ด, ด้วยศรัทธาตามเพื่อนเข้ามาบวชนั่นแหละจะไปอวดใครเขาก็ไม่ได้คนประเภทนี้ไรธรรมะตั้งแต่ต้นถ้ามาบวชชีวิตนี้ก็จะแร้นแค้นออกแขกบอกเรื่องไม่มีแล้ว ท่านจะเล่นดีได้หรือละครชีวิตญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่มาเจริญกรรมฐานต้องการอะไรขอถามต้องการไปสวรรค์หรือว่าต้องการไปนิพพานต้องการจะแก้ปัญหาชีวิตไหมต้องการจะแก้อะไรจะแก้กรรมสิ่งไหนจะกระทําอะไรก็ไม่เข้าใจก็เลยผิดหวังกลับไปอย่างน่าเสียดายมาก ชีวิตก็ไรค่ะเวลาก็หมดไปทำอะไรมันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวเปลืองเวลาหน้าเสียดายที่ท่านตั้งใจมาขอให้ตั้งใจทำทำด้วยความตั้งใจจริงหญิงจะได้แท้คนแก่หน้าบูชาชายก็ไม่จริงหญิงก็ไม่แท้เป็นคนแก่ที่ไม่หน้าบูชาไม่มีใครบูชานับหน้าถือตาแต่ประการใด ออกมาอย่างนี้ชัดเจนแล้วการมาเจริญกรรมฐานต้องการจะให้จิตยึดมั่นถือมั่นในความดีด้วยการมีสติยึดให้จิตใจมันอยู่ที่ให้จิตใจไม่แกวงไปในทางชั่วมันก็มีความหมายอยู่มากไม่ใช่น้อยไม่ใช่พุโทโธฉันจะไปสวรรค์ฉันจะไปนิพพาน แค่สมบัติมนุษย์ก็ยังรักษาไม่ได้ศีลตัวเดียวก็ยังไม่เป็นปกติขาดสติขาดภาวะอันไปสู่ความเป็นปกติแล้วท่านจะได้อะไรหรือท่านจะไม่ได้อะไรเลยมาบวชพระสงฆ์องค์เจ้าหรือมาบวชชีสร้างความดีไม่ได้นั้นมานน่าอับอายอับอายขายหน้ามาก อับอายขายหน้าผีสางเทวดาออกมาอย่างนี้ชัดเจนผู้ที่มาสร้างความดีตั้งแต่ต้นบอกเรื่องมาดีแล้วเราก็ตั้งใจเล่นตามเรื่องตามสิ่งที่ต้องการท่านจะได้ไม่ผิดหวังอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวก็มาแล้วเดี๋ยวก็รับขันห้ามาจากไหนก็ไม่รู้รับขันเข้าทรงเป็นองค์ภูทร เป็นเจ้าบ้างเป็นนางฟ้านางสวรรค์ก็เลยพลาดผิดชีวิตก็อับเฉาขาดสติสัมปชัญญะไปอย่างนี้เป็นต้นพีกับเจ้าเป็นที่พึ่งไม่ได้แต่ไตราสารณคมเป็นสารณะเป็นที่พึ่งได้บิดามารดากรุบาอาจารย์เป็นที่พึ่งได้สารณะสูงสุดที่เราควรเคารพ บ, บูชาคือคุณของพระพุทธเจ้า คุณของพระธรรมคำสอนคุณของพระสงฆ์องค์พระสาวกที่พระองค์ได้ดำเนินวิถีชีวิตสู่มรรคผลนิพพานมานานแล้วทางเส้นนั้นก็คือทางสายเอกของพระบรมโล ก, กระเชดิดที่ชี้แจงแสดงมาสองพันกว่าปีแล้วไม่มีจืดจางหายไปจากโลกนี้เลยแต่ใครหนอจะทำโลกให้มันสว่าง จิตใจมันมืดมนอนาถรร้อนจิตตลอดรายการชีวิตก็จะอับเฉ า, าเบาปัญญาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้โลกสุขสายใจสะอาดสว่างสงบถ้าใครยึดเหนี่ยวรัตนตรัยไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวพึ่งทางใจ ท่านผู้นั้นก็จะมองโลกได้สุขใสจิตใจก็จะสะอาดจิตใจก็จะสงบสะอาดสว่างสงบปรารภธรรมได้ถ้าจิตใจไม่สะอาดแล้วมันก็จะเกิดความมืดถ้าจิตใจสะอาดเมื่อใดมันก็จะเกิดความสว่างคือปัญญานั้ น, น, นสามารถโดยที่จิตปรารภความสงบเงียบสงัดปฏิบัติธรรมนั่นแหละท่านจะสร้างกิจกรรม ที่เป็นพฤติกรรมแสดงออกได้ดีมากแต่คนเราเดี๋ยวนี้พฤติกรรมไม่ดีแสดงออกน่าเสียดายออกมาทางกายก็ไม่ดีวาจาก็พฤุเสวาจาพูดเท็จพูดสออเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอตลอดรายการออกมาทางด้านวาจาอีกแล้วนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ย ถ้าท่านไม่สงบกายไม่สงบจิตชีวิตนี้ก็แรนแค้นทำอะไรก็ไม่มีแบบแปลนและแผนผังทำอะไรก็ไม่มีกฎเกณฑ์วิธีการก็เลยกลายเป็นคนไม่มีหัวไม่มีหางนี่ไม่มีแบบฉบับประการใดศีลาจารวัดก็หมดไปการเจริญกรรมฐานต้องการจะหาที่สงบสมาธิเป็นเรื่องใหญ่ภายในย่อมร่มเย็นเป็นสุข ออกมาอย่างนี้จะไม่อยู่ร้อนนอนทุกข์อีกต่อไปภาวะแห่งการเจริญกรรมฐานคนที่อยู่ร้อนนอนทุกข์หาความสุขไม่ได้นั้นคนนั้นไม่มีธรรมะไม่มีกรรมฐานจิตไม่เป็นหลักฐานไม่มั่นคงไม่เป็นตัวของตัวเอง ไม่มีหลักฐานนั่นเองคนเราขาดการเป็นตัวของตัวเองกลับไปพึ่งคนอื่นต่อไปจิตใจก็ออกนอกลู่นอกทางนอกขอบเขตขันธสีมาถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็นอกขอบเขตไปอีกถ้าเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่มีกฎเกณฑ์วิธีการไหนเลยเล่าจิตท่านจะเข้าสู่ภาวะสู่ความเป็นปกติได้ การเจริญกรรมฐานนั้นต้องการภาวะอันนี้การเจริญธรรมะสะกดว่าทำไม่ใช่ททหารสอเสือสระอะไม่ใช่ททหารสระอําไม่ใช่การทำแต่ธรรมะนี้เป็นสภาพชีวิตทำให้เกิดแสงสว่างของจิตชีวิตจะได้ไม่เป็นหมัน ทำอะไรจะได้มีทรัพยากรชีวิตเป็นข้อคิดของธรรมเรียกว่าธรรมแปลว่าธรรมะธรรมะแปลว่าเกิดแสงสว่างธรรมะเกิดแสงสว่างสงบจิตใจปรารบธรรมจะมีความรุ่งเรืองจะมีความวัฒนาสถาพรตลอดกาลประวสารจนชีวิตท่านหาไมา่ การมาเจริญกรรมฐานบางคนมาสองวันเดินจงกรมยังไม่ได้กลับซะแล้วไปเอาอย่างอื่นอีกแล้วสับสนอละมานคว้าน้ําเหลวตลอดรายการไม่มีหลักไม่มีฐานไม่มีศีลไม่มีสมาธิขาดปัญญาอย่างยิ่งศีลก็คือสติศีลก็คือสัมปชัญญะมีการรู้ตัวอยู่ตลอดทั้งลมหายใจเข้าออก พองนอยุบนอให้มันได้จังหวะยืนนอให้มันได้จังหวะเพราะจิตมันเร็วต้องการจะให้จิตกับสติมันอยู่ด้วยกันมันจะต้องช้าพ่อช้าจะได้พราสองเล่มงามใจเร็วด่วนได้ผ่านสวัสดขาดหัวใจภายเถอะแม่พายภายเถอะพ่อภาย ตลาดจะวายสายบัวจะเนา่าพายเถอะพ่อพายตลาดจะวายสายบัวจะเนา่าแล้วพายได้อย่างไงโซ่ก็ไม่แก่ลูกกุญแจก็ไม่ไขก็เลยพายติดโซ่ติดโน่นติดนี่ติดงานโน้นติดงานนี้ความดีก็เลยไม่ได้ไม่สามารถจะสิงสถิตอยู่ในจิตใจของบุคคลนั้นได้ก็เลยไร้สาระ ไม่ใช่ว่าทำได้ง่ายๆแต่ก็ไม่ยากนักถ้าท่านมีบุญวาสนาท่านจะทำได้ง่ายคนไร้บุญวาสนาจะทำไม่ได้เลยจะเดินจงกรมก็ขี้เกียจไม่อยากจะสร้างความดีคนประเภทนี้กำลังชั่วไม่รู้ตัวทำความดีต้องลงทุน ความลาบากความดีทำได้ยากไม่ใช่เป็นของง่ายต้องลงทุนความลำบากยากแค้นใจถ้าความชั่วชอบลงทุนความสบายกินสบายนอนสบายตามใจตัวเองตลอดเลยไม่มีการขัดไม่มีการฝืนใจจึงขาดธรรมะธรรมะแปลว่าฝืนจิตให้มีสติให้ได้ถ้าฝืนจิตไม่ได้ขาดสติสัมปชัญญะก็เลิศเถอะ ใครเป็นคนเลวแหลกแตกรานหาความสำราญไม่ได้ก็ต้องกลับไปอยู่ร้อนนอนทุบหาความสุขไม่ได้ตลอดชีวิตชีวิตนี้จะเป็นหมันชีวิตนี้ทรัพยากรชีวิตจะไม่เกิดขึ้นคือธรรมะแต่เมื่อทรัพยากรชีวิตดีพฤติกรรมก็แสดงออกบอกทางกายก็เรียบร้อยวาจาก็เพราะจะพูดจาก็เหมาะเจาะ จะทำอะไรก็มีเหตุมีผลคนที่ไร้ธรรมะดูไม่ได้เลยปฏิบัติเลิศเอะขาดกิจวัตรขาดการปฏิบัติหน้าที่ขาดการรับผิดชอบตัวเองในเมื่อขาดการรับผิดชอบตัวเองแล้วไหนเลยเล่าจะไปรับผิดชอบคนอื่นได้ถ้าเป็นพ่อเป็นแม่เขาหากรับผิดชอบตัวเองไม่ได้แล้วท่านจะไปรับผิดชอบลูกของท่านได้อย่างไร ไม่เป็นแกนนำความรู้ให้กับลูกไม่สามารถจะนำความคิดให้แก่ลูกไม่สามารถที่จะมีสติปัญญาแก้ไขให้ลูกดีได้ออกมาเป็นบทธรรมดังที่กล่าวแล้วการปฏิบัติธรรมจิงยากยากสําหรับบุคคลที่ไม่สนใจคนที่ไม่มีศรัทธาหากมีเขาขาดวิริยะขาดสติขาดสัมปชัญญะไหนเลยเล่า ท่านจะมีสมาธิท่านจะมีสติที่จะแก้ไขปัญหาของท่านได้มีแต่สร้างปัญหากับผูกปัญหาเดี๋ยวจะไปหาเจ้าเข้าทรงไสอีกแล้วจะมีสติไปอย่างนั้นขันห้าก็เลยแตกแหลกรานรูปเวทนาสัญญาสังขารก็ไม่เกิดขึ้นอะไรหนอรูปอะไรหนอกายชีวิตนี้คืออะไร ก็มีกายกับจิตรูปกับนามเท่านั้นที่จะต้องดำเนินงานวิถีชีวิตมีสติอยู่กับจิตกายกับจิตก็จะได้สามัคคีกันมีการแก้ปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้อย่างแน่นอนถ้าคนดีมีปัญญาก็จะสนใจสวดมนต์ไหว้พระที่เรามาทำวัดในโบสถ์นี้หนึ่งก็คือต้องการจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้า เมื่อสมัยพุทธกาลฟังโอวาทของท่านตอนเย็นก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งต้องการจะมาห้อมล้อมฟังโอวาทของท่านฟังโอวาทของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าของเราเสด็จดับขันไปสองพันกว่าปีแล้วจึงเป็นประเพณีให้เรามาทาวัดสวดมนต์ไหว้พระเป็นต้นก็เป็นประเพณีนิยมของพุทธสิทธ 5ประการของพระองค์ที่เรามาสู่รงอุโบสถรงอุโบสถนั้นก็คล้ายๆกับว่าเป็นกำเนิดของเจดีขององค์พระชินสีสาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจึงเข้ามาเฝ้าทุกวันไม่ขาดกิจวัตรไม่ขาดการปฏิบัติธรรมนี่แหละคือชาวพุทธที่แท้ จ, จริงชาวพุทธที่จอมปลอมนั้นไม่อยากจะสวดมนต์ไหว้พระ และไม่อยากจะประพฤติีปฏิบัติชอบแต่ประการใดก็เลยแก้ไขปัญหาชีวิตไม่ได้ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายกลับไปบ้านแล้วขอให้มันสวดมนต์เป็นนิดอธิษฐานจิตเป็นประจำอย่าทิ้งงานและหน้าที่ปรดรับผิดชอบตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นคือกรรมฐาน จะแผ่เมตตานั้นก็ต้องอโหสิกรรมก่อนอย่าผูกใจเจ็บผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรต่อท่านผู้ใดไว้ในจิตใจของท่านแล้วท่านจะแผ่เมตตาไม่ออกจะแผ่แต่อกุศลแผ่ให้คนอื่นเขาแผ่ไปให้พ่อแม่ก็เดือดร้อนแผ่ไปให้ลูกๆ ก, ก็เดือดร้อนนั่นอกุศ ล, ล ก, กรรม ถ้ามีเมตตาจริงไม่เจือด้วยโทสะแผ่ให้ลูกๆ ก, ก็จะดีแผ่ให้พ่อแม่พ่อแม่ก็ดีอกดีใจลูกได้ดีมีปัญญามีหลักฐานคู่ครองอันใดก็จะเป็นทองแผ่นเดียวกันมีมนุษยสัมพันธ์ในสังคมก็จะเกิดขึ้นทำนองนี้เป็นต้นถ้าบุคคลใดสนใจแต่ความดีแล้วมันจะไม่กลับไปที่ชั่ว ไม่ทำตัวให้หมองมัวและมัวเมาในจิตใจแต่ประการใดนี่เป็นเนกขมมะถ้าใครมาบวช ด, ด้วยการปฏิบัติธรรมแม้ว่าจะเป็นโยมหญิงก็ตามก็จะสามารถทดแทนพระคุณบิดามารดาได้อย่างสมคาดปรารถนาเรามาสร้างความดีให้พ่อแม่ของเราพ่อให้หัวใจแม่ให้น้ำเลือดน้ำเหลือง สร้างความดีด้วยการประพฤติต่อพ่อแม่ด้วยกตัญญูกตวเวทิตาธรรมให้ข้าวป้อนน้ำแม่ได้ชัดเจนใช้นี่แม่ใช้นี่พ่อสามารถที่จะช่วยพ่อแม่ให้ขึ้นจากนรกได้มีตัวอย่างอยู่มากมายนี่แหละคือการบวชของโยมหญิงโยมชายก็บวชแทนคุณบิดามารดาบวชให้ซึ้งใจเข้าไปถึงรสพระธรรม ถึงจะรู้ว่าน้ำใจของพ่อแม่เป็นอย่างไรน้ำใจของพ่อแม่เป็นอย่างไรดีให้ถึงขึ้นดันให้ถึงที่จิตจะสว่างและสงบถ้าทำถึงขั้นดันถึงที่ทำความดีถึงขั้นแล้วจิตท่านจะไม่กลับไปสู่ที่ตาม จิตท่านจะไม่ดำจิตท่านจะได้งามจะเกิดแสงสว่างและเกิดความสงบจบด้วยหัวใจด้วยการมีสติสัมปชัญญะอยู่ที่จิตใจตลอดนี่คือกรรมฐานที่เราตั้งหลายได้มาเจริญกันการเจริญกรรมฐานนั้นจะได้มากบ้างน้อยบ้างก็ตามขอให้ไปเจริญกันบ่อยๆ ทำติดต่อกันไปโดยเสมอต้นเสมอปลายคนเราถึงจะอยู่ได้ถ้านอกเหนือจากนั้นดีไม่ได้แน่ดูในภาคปฏิบัติของเขาเรารู้ว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีดูเดี๋ยวเดียวไม่ได้ต้องดูนานๆดูคำพูดดูพฤติกรรมที่เขาแสดงและปฏิบัตินานเข้าก็จะรู้เองว่าคนนี้ดีหรือไม่ดีต้องอาศัยเวลาในการดูด้วย ดูเดียวยวก็จะไม่รู้พอนานเข้าก็แสดงออกให้ทราบจนได้คนนี้พูดไม่จริงคนนี้พูดเหลวไหลคนนี้มีอัธยาศัยไม่ดีคนนี้หาความดีไม่ได้จะออกมาชัดเจนวันนี้ก็ใช้เวลามากพอสมควรขออนุโมทนาสาธุการแก่ท่านทั้งหลายที่ได้มาบำเพ็ญกุศล ที่เราปฏิบัติธรรมก็ขอให้ท่านปฏิบัติติดต่อไปกลับไปบ้านก็ทำให้ติดต่อไปมีอะไรก็กําหนดเป็นตัวชะตากรรมในชีวิตของเราที่ดีที่สุดขอความเจริญรุ่งเรืองจงมีแด่ท่านทั้งหลายงอกงามไพยบูรในพระาศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอให้ทุกๆ ท, ท่านจงเจริญไปด้วยอายุวันณนะสุขะพละ ปฏิพานธนสารสมบัตินึกคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสมความมุ่ง ม, มา่ปรารถนาด้วยกันทุกรูปทุกนามณโอกาสบัดนี้เถิด